เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่พระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบกุมาริกาผู้กินไข่ไก่คนหนึ่งได้ยินว่ามีหมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านปันธุระอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวถีมีชาวประมงคนหนึ่งเก็บไข่เต่าริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดี เอาต้มกินแล้วให้กุมาริกาฟองหนึ่งนางติดใจในรสไข่เต่านั้นมารดาได้ถือเอาไข่ไก่ที่แม่ไก่กกมาให้นางต่อมานางได้ถือเอาไข่ไก่มาเคี่ยวกินเองเป็นนิดแม่ไก่เห็นกุมาริกานั้นถือเอาไข่ของตนเคียวกินอยู่ผูกอาคาดทำกาละแล้วไปเกิดเป็นแมวในเรือนนั้นนั่นเอง แม่นางกุมาริกาทํากาละแล้วก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันเพราะเหตุแห่งจิตยินดีในฟองไข่ที่เคี้ยวกินครั้นแม่ไก่ตกฟองไข่นางแมวก็เคี้ยวกินฟองไข่เหล่านั้นแม้ครั้งที่สองครั้งที่สก็เช่นนั้นเหมือนกันแม่ไก่ตั้งความปรารถนาพึงได้เคี้ยกินเจ้าพร้อมทั้งลูก เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดเป็นนางเสือเหลืองนางแมวทำกาละแล้วบังเกิดเป็นนางเนื้อเวลาที่นางเนื้อนั้นคลอดนางเสือเหลืองก็ามาเคี้ยวกินนางเนื้อนั้นพร้อมลูกทั้งหลายสองสัตว์นั้นเคี้ยวกินกันอยู่อย่างนี้ห้าร้อยอัตภาพในที่สุดนางหนึ่งเกิดเป็นยักษิสนีนางหนึ่ง เกิดเป็นกุลลธิดาในเมืองสาวัตถีเบื้องหน้าแต่นี้มีนัยยะดังที่กล่าวเว้แล้วในพระคถาว่านหิเวเรนะเวลานิเป็นต้นเวณย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนแล้วทรงตรัสพระคถานิว่าผู้ใดปรารถนาสุขเพื่อตนแล้วก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ผู้นั้นย่อมเป็นผู้รัคนด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรในการจบเทศนานางยักษินีตั้งอยู่ในสารณะทั้งหลายสมทานศีลห้าพ้นจากเวรฝ่ายนางกุลธิดาตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ผู้มาประชุมกันแล้วดังนี้แหละ